วันนี้จะขอพูดเรื่องอุปสรรคของการบําเพ็ญของการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัตินี้ย่อมมีอุปสรรคที่จะคอยขวางกัน้นไม่ให้การปฏิบัติคืบหน้าก้าวหน้าจําเป็นที่จะต้องหาวิธี กำจัดหรือแก้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้หมดไปถ้าไม่สามารถที่จะแก้ได้ก็จะติดอยู่ไม่สามารถที่จะก้าวคึบหน้าไปได้อุปสรรคในการปฏิบัติธรรมนี้ก็มีอยู่สองส่วนส่วนภายนอกและส่วนภายในใจ ส่วนภายนอกก็ได้แก่สถานที่ของการปฏิบัติบุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยอาหารที่เรารับประทานอากาศก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นอุปสรรคขึ้นมาได้สถานที่ที่เราได้ยินที่ท่านพูดกล่าวถึงก็คือ สถานที่สัปปายะหรือไม่สัปปายะสถานที่บําเพ็ญที่สัปปายะนี้เป็นสถานที่สงบสงดัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆถ้าอยู่ใกล้สถานที่ที่มีแสงสีเสียงมีบุคคลพวกพลาดมีการกระทํา การต่างๆมีพิธีกรรมมีการก่อสร้างมีมหรสมบันเทิงอะไรต่างๆสถานที่เหล่านั้นก็จะไม่เป็นสถานที่สัปปายะเพราะจะรบกวนการบําเพ็ญการเจริญสติเพื่อให้ใจเข้าสู่สมาธิสู่ความสงบ ผู้บำเพ็จึงต้องหาสถานที่สบา ย, ยคือหาสถานที่สงบสงัดวิเวกที่มีอยู่ในป่าในเขาเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ดีส่วนมากท่านจะไปบำเพ็ญในป่าในเขากันไปอยู่ตามลําพัง อยู่ให้ห่างไกลจากอิทธิพลของแสงสีเสียงของรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, าพาะเพราะเวลาอยู่ใกล้จะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อารมณ์ก็คือกามชันทะความยินดีที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลท พ, าพาะ ถ้าเกิดความยินดีแล้วไม่เสพไม่ได้เสพใจก็จะงดนำคาญฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ผู้บำเพ็ญจึงต้องไปแสวงหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะซึ่งแต่ละสถานที่ก็อาจจะเหมาะกับจริตของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน บางท่านก็ชอบสถานที่ในป่าลึกบางท่านก็ชอบสถานที่บนเขาบางท่านก็ชอบบาเพ็ญอยู่ในถ้ำบางท่านก็ชอบบาเพ็ญอยู่ในป่าชา้าสถานที่เหล่านี้ก็เป็นสถานที่วิเวกสงบสงดัดเอื่อต่อการบาเพ็ญต่อการปฏิบัติแต่ผู้ปฏิบัติอาจจะมีเจริญไม่เหมือนกัน บางท่านอาจจะชอบป่าชา้าบางท่านอาจจะไม่ชอบป่าชา้าบางท่านชอบป่าทึบบางท่านไม่ชอบป่าทึบบางท่านชอบอยู่ตามเขาตามตามถ้ำบางท่านไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่จริตที่แต่ละท่านแต่ลรผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกเอาว่าสถานที่แบบไหน เอื้อต่อการปฏิบัติของตนก็ให้หาสถานที่แบบนั้นอยู่ปฏิบัติอันนี้ก็เรื่องของสถานที่ส ป, ปายะเรื่องที่สองก็คือบุคคลส ป, ปายะคือการที่เราไปปฏิบัติส่วนใหญ่เราก็จะต้องอยู่กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่จะเป็นครูบาอาจารย์ สั่งสอนให้ความรู้แก่เราเพราะว่าการปฏิบัติธรรมโดยไม่มีครูบาอาจารย์นี้จะทำให้คืบหน้าไปได้ยากกว่าการมีครูบาอาจารย์ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีครวบาจ้ครูบาอาจารย์ในรูปแบบของหนังสือธรรมะก็ตามหนังสือธรรมะก็ยังสู้การมีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้ผ่านได้หลุดพ้นมาแล้วไม่ได้เราก็ต้องแสวงหาบุคคลส ป, ปายะบุคคลที่สามารถที่จะนำทางสั่งสอนช่วยเหลือเราแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติและชี้บอกทางอันถูกอันควรที่เราควรจะบำเพ็ญ ถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถได้บรรลุธรรมแล้วเป็นผู้สั่งสอนก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะท่านจะสามารถสอนสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติได้นอกจากครูบาอาจารย์แล้วบุคคล ผู้ที่ร่วมปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันว่ามีความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไรถ้าไปอยู่กับผู้ที่ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติธรรม <hmm> ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างแทนที่จะบําเพ็ญปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าไปอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่ค่อย ให้ความสำคัญหรือให้ความสาคัญไม่มากพอคือเขาก็จะชวนเขาก็จะดึงเราไปทากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับเขาได้แล้วถ้าเราไม่ไปทําก็จะมีความรู้สึกไม่ปรองดองไม่สามัคคีกันบุคคลที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันก็ควรจะเป็นบุคคลที่มีความ สนใจในเรื่องเดียวกันให้ความสำคัญเหมือนกันเช่นให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติอย่างสมัยที่เราไปหาที่ปฏิบัติแนละ้วไปหาครูบาอาจารย์ก็ได้บัดป่าบ้านตาลซึ่งเป็นจุดแรกที่ได้ไปก็เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้พบทั้งสถานที่ที่สับปายะ และบุคคลที่สับปายสถานที่ก็สงบสงัดวิเวกไม่มีกิจกรรมวุ่นวายต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกลิก่นรสผลตภะครูบาอาจารย์คือหลวงตาท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะท่านได้ผ่านทุกอย่างมาแล้ว แล้วท่านก็ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการทำกิจกรรมอะไรต่างๆถ้ามีความจําเป็นจะต้องทำกิจกรรมท่านก็จะรีบรีบทำและทำให้ไม่มากทำให้ทำเท่าที่จําเป็นแล้วถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆก็อาจจะไม่ให้พระเนไม่ต้องมาทำจะหาคนอื่นมาทำกัน อันนี้เพื่อส่งเสริมให้พระเนนที่อยู่ในวัดกับท่านได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่แล้วถ้าพระเนรในวัดไปให้ความสำคัญต่อกิจกรรมอย่างอื่นท่านก็จะคอยเตือนแล้วถ้าไม่เชื่อฟังท่านก็จะขับไล้ออกไปจากวัดเลยเพราะถ้าอยู่แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อื่น กาจะทำให้เป็นตัวอย่างไม่ดีหรืออาจจะทำให้ดึงให้ผู้อื่นต้องมาเริ่มทำกิจกรรมกับตนไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บำเพ็ญ น, นี่ก็คือเรื่องของบุคคลสัพายะกับสถานที่สัพายะผู้ปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูสถานที่ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ ว่าเป็นอย่างไรและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอย่างไรเป็นบุคคลที่เอื้อต่อการปฏิบัติหรือเป็นบุคคลที่เหนี่ยวรังการปฏิบัติถ้าเหนี่ยวลังไม่ให้คืบหน้าไม่ให้เจริญก้าวหน้าก็ควรที่จะหนีไปอย่าไปอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านั้นเพราะไม่เกิดเประยช ไปหาบุคคลที่ดึงเราไปในการปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่สามารถหาบุคคลที่ฉลาดกับเราเก่งกัเราอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนว่าให้อยู่ตามลำพังตามลำพังยังจะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนถึงแม้ว่าจะไม่กําไร คือไม่มีครูบาอาจารย์มีผู้ที่เข้าดีกว่าเก่งกว่าเราคอยดึงคอยสอนเราก็ดีกว่าอยู่กับคนที่ด้อยกว่าเราในการปฏิบัติหรือไม่สนใจในการปฏิบัติเขาก็จะดึงให้เราไม่ปฏิบัติจะดึงให้เราไปทากิจกรรมอย่างอื่นแทนดังนั้นการที่จะบำเพ็ญให้ได้เกิดประโยชน์ ได้รับผลจำเป็นที่จะต้องหาสถานที่สัปายะและอยู่กับบุคคลสัปายะโดยเฉพะผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้เช่นพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติไว้เลยว่าพระบทหมายนี้จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาขึ้นไป เพื่อที่จะได้มีผู้ให้ก ร, รมอบรมสั่งสอนในเรื่องของการบำเพ็ญในการปฏิบัติธรรมเพราะเรื่องของธรรมนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ที่บวชใหม่จะรู้ได้อย่างรอบคอบผู้บวชใหม่นี้ก็เปรียบเหมือนกับทารกที่คลอดออกมาจากท้องของมารดาที่ยังต้องอาศัยบิดามารดาไว้คอย ดูแลเลี้ยงดูปกป้องรักษาให้เจริญเติบโตขึ้นมาจนกว่าจะสามารถช่วยตนเองได้แล้วถึงจะสามารถอยู่ปราศจากการช่วยเหลือดูแลของพ่อแม่ได้ฉันได้ผู้ปฏิบัติใหม่หรือนักบวชใหม่พระภิกษุที่บวชใหม่นี้จำเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ อย่างน้อยก็ห้าพันษาขึ้นไปต้องอยู่ใกล้ชิดกับท่านเพื่อให้ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามถ้าไปทำกระทำอะไรต่างๆที่ไม่ควรกระทำถ้าอยู่ตามลำพังนี้จะไม่รู้ว่าตนเองทำผิดทำถูกทำดีหรือทำไม่ดี ซึ่งในสมัยนี้ก็เรามักจะได้ยินได้ฟังพระที่บวชเพียงพันษาสองบวชยังไม่ได้ได้พันษาบางทีก็ไปตั้งสำนักอยู่ตามลำพังหรือถ้าไปอยู่กับบางสำนักก็ไม่มีครูบาอาจารย์แล้วก็จะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่ไม่สมควรที่จะกะทำ แทนที่จะบำเพ็ญแทนที่จะปฏิบัติก็ไปทำตัวเป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนคารวะญาติโยมที่ไม่รู้อีหนอิเนคิดว่าพอเป็นพระแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์ได้โดยเฉพาะพระที่บวชแล้วที่เปิดหลงคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วก็จะทำตัวเป็นครูบาอาจารย์ คอยสั่งคอยสอนญาติโยมคอยพาญาติโยมไปปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆทำตัวแบบนี้ไปได้ไม่กี่ปีในที่สวยก็ติดขาลาเพศไปเพราะว่าไม่มีธรรมแท้อยู่ในใจทำที่ตนคิดว่าตนรู้นั้นเป็นธรรมปลอมเคอเป็นธรรมที่ได้จากการศึกษา ธรรมที่ได้จากการศึกษากับธรรมที่ได้จากการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนกันธรรมที่ได้รับจากการศึกษาเป็นธรรมที่ยังมีกิเลสหุ้มห่อจิตใจอยู่การศึกษานี้ไม่ได้ไปฆ่ากิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่การปฏิบัติธรรมนี้จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ทำปฏิบัติจึงเรียกว่าเป็นธรรมแท้เพราะธรรมที่กําจัดกิเลสตัณหากําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้แต่ธรรมที่ศึกษานี้ยังไม่สามารถที่จะกําจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าไปทาตนเป็นอาจารย์นี้ก็ถูกกิเลสตัณหาหลอกแล้วหลอกว่าตนเองได้บรรลุ เป็นอาจารย์ได้แล้วแล้วก็จะวุ่นวายอยู่กับการสั่งสอนแต่ใจของตอนนี้ก็จะถูกลุมเล่าด้วยกิเลสปัญหาอยู่เรื่อยๆจนถึงในขีดหนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะเวลาได้เป็นครูอาจารย์นี้ก็จะมีลาบสกการะอะไรต่างๆเข้ามาอย่างมากมาย แล้วก็มีการออกไปตามสถานที่ต่างๆไปเห็นไปสัมผัสกับรูปเสียงกยลิ่นรสผทธภะถ้าใจที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้าได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเกิดเกิดความโลภความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดก็อาจจะไม่สามารถรักษาธรรมวินัยคือศีลของพระ ไว้ได้อาจจะไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายหเกิดความเสื่อมเสียแล้วในที่สุดก็จะถูกขับไล่หรือถูกจับศึกไปอันนี้เป็นเรื่องของการที่บวชแล้วไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์บวชแล้วก็ตั้งตนเองเป็นอาจารย์ขึ้นมา เพราะมีความหลงเชื่อว่าตนเองนี้เป็นผู้มีความรู้มีความสามารถในทางธรรมคิดว่าตนเองได้บรรลุธรรมแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้เริ่มปฏิบัติควรที่จะสังวรควรที่จะคิดเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไว้อยู่เรื่อยๆ ว่าเรามาปฏิบัตินี้ไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะเป็นครูบาอาจารย์ของใครหลวงตาบอกว่าการการปฏิบัตินี้เพื่อสอนตัวเราเองท่านบอกว่าสอนตัวเราเองให้ได้ก่อนเป็นอาจารย์ของเราเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปเป็นอาจารย์ของผู้อื่นกําจัดกิเลสตัณหาของเราให้หมดไปให้ได้ก่อน เราค่อยไปสอนให้ผู้อื่นเขากำจัดกิเลสตัณหาต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก บ, บำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างพระอหลานตสาวกทั้งหลายก็เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างในการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ส่งไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆจนได้ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดที่ครูบาอาจารย์ต่างๆ จะสามารถสั่งสอนได้คือขั้นรูปปัจจานและอรูปปัจจาแต่ไม่มีครูบาจารย์รูปใดที่รู้ทำที่เหนือกว่าขั้นรูปปัจานอารูปปัจจานคือทำระดับของอริยมรรคอริยผลไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เอง ในาที่สุดก็ได้ทรงตัดทะลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้บรรลุได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระอริยสัจ ส, สี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากเมื่อทรงเห็นและทรงสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วพระไถยของพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลังจากนั้นแล้วพระองค์จึงใช้เวลาไขควรพิจารณาอยู่ประมาณสองเดือนด้วยกันทรงบตัดสรุปในวันเพ็ญเดือนหกและกว่าที่จะทรงตัดสินพระไถ่นําธรรมะที่ทรงได้รู้ได้เห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกในเบื้องต้นพระองค์ก็มีความท้อพระไถยไม่มีความอยากที่จะเผยแผ่สั่งสอน พอเห็นธรรมที่ทรงต้องปฏิบัตินี้เป็นธรรมที่ยากต่อผู้ต่อผู้ต่อสัตว์โลกทั้งปวงผู้ยังติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายผู้ที่ยังติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญจะไม่มีความสามารถที่จะสามารถบําเพ็ญและบรรลุถึงธรรมขั้นนี้ได้เลย อันนั้นเป็นความคิดในเบื้องต้นแต่หลังจากมีเวลาค่ายกวนก็ทรงเห็นว่าบุคคลต่างๆนี้ไม่เหมือนกันมีหลายระดับด้วยกันระดับจิตใจความรู้ความสามารถที่จะศึกษาที่จะบำเพ็ญปฏิบัตินี้มีความสามารถไม่เท่าเทียมกันมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถพอที่จะรับ คำสอนนั่นําเอาไปปฏิบัติได้ก็มีพวกที่ไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะนําไปปฏิบัติก็มีพระองค์จึงได้ทรงแยกแยะผู้ปฏิบัติไว้เป็นบัวสี่เหล่าพอได้ค่ายควรแล้วในที่สุดก็ทรงตัดสินพระไถยประกาศพระธรรมคําสอนแก่สัารโลกนี่คือความรู้สึกของคนที่เขาบรรลุธรรมแล้ว เขาไม่มีความอยากที่จะเป็นอาจารย์ของใครไม่อยากจะเป็นครูอยู่เฉยๆดีกว่าสบายอยู่แล้วไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรอยู่แล้วบำเพ็ญ น, นี้มีแต่ความเหนื่อยยากทั้งกับตนเองแล้วก็ต้องไปเหนื่อยยากกับการสั่งสอนพูดอยู่เฉยๆมันสบายอยู่แล้ว สอนก็ไม่ได้กําไรไม่ได้อะไรแต่ประโยชน์ที่จะได้รับคือผู้ที่มารับการสั่งสอนเท่านั้นผู้สอนเองนั้นเป็นเหมือนน้ำแก้วน้าที่มีน้าเต็มเปี่ยมอยู่ในแก้วแล้วต่อให้เทน้าเข้าไปในแก้วมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมากไปกว่าที่ได้อยู่ในขณะนั้น พราะมันเต็มเปลี่ยมแล้วจิตใจของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอรหันตสาบกนี้ท่านเป็นบ ร, รมา ร, รมังสุขขังแล้วบามมัสุขแล้วมีความสุขเต็มเปลี่ยมอยู่ภายในหัวใจแล้วไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขให้มีมากไปกว่าที่มีอยู่ได้แล้วไม่ว่าจะกระทำอะไรก็ตามจะทำบุญเพิ่มขึ้นจะไม่ทําบุญเพิ่มขึ้น มันก็ได้เท่านั้นแต่การที่ทรงตัดสินพระทยัยสั่งสอนผู้อื่นนั้นก็เพราะทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาของพระองค์เองมาก่อนและเห็นผู้ที่ยังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาว่าจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานี้ไปตลอด ไม่มีวันที่จะหลุดออกมาได้ด้วยตนเองเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนวิธีกำจัด ก, กิเลสตันหาต่างๆถ้าพระองค์ไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนบุคคลต่างๆที่มีกิเลสตันหาครอบงำจิตใจจะต้องอยู่ภายใต้อานาจของกิเลสตันหาไปตลอดแต่ถ้าพระองค์เผยแผ่สั่งสอน บุคคลเหล่านั้นก็จะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหาได้ถ้ามีศรัทธาความเชื่อที่จะบาเพ็ญที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์พระองค์จึงทรงตัดสินพรทยสอนแต่จะสอนกับบุคคลที่มีศรัทธาความเชื่อคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อ พระ อ, องค์ก็จะไม่ทรงสั่งสอนและในเบื้องต้นก็ทรงไปสั่งสอนคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถรับทําไปได้อย่างรวดเร็วก็ทรงมุ่งไปที่นักบวชทั้งหลายก่อนเพราะนักบวชนั้นเป็นผู้ที่ได้บรรําเพ็ญทำมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วคือระดับศีลระดับสมาธิระดับฐาน ทำทานสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกบวชแล้วมาบำเพ็ญรักษาศีลแล้วมาฝึ ก, กจิตทำใจให้สงบได้แล้วแต่ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีครูอาจารย์คนใดในโลกรู้เรื่องของปัญญาที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิลเลสตันหาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงมุ่งไปสั่งสอนแก่บุคคลเหล่านั้น พอได้สรงสั่งสอนเพียงเทศครั้งสองครั้งบุคคลเหล่านั้นก็สามารถปฏิบัติตามและบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะว่าเป็นผู้ที่มีภาชนะรองรับธรรมของพระพุทธเจ้าคือพัญญาคือเขามีศีลมีสมาธิอยู่แล้ว พอได้ฟังธรรมได้ฟังปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็น้อมเอาเข้ามากำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้จึงได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้อย่างง่ายได้ได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางของผู้ที่ บ, บรรลุทำแล้วตัดสรู้แล้วไม่มีความรู้สึกที่อยากจะสั่งสอนใครไม่อยากจะเป็นครูอยากจะเป็นอาจารย์ของใครแต่จําเป็นที่จะต้องเป็นเพราะว่าไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถทําหน้าที่นี้ได้ถ้าไม่ทําก็จะไม่ไม่สามารถทําให้ผู้อื่นนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือลักษณะของครูบาอาจารย์ที่แท้จริงท่านต้องเป็นครูบาอาจารย์ของตัวของท่านเองให้ได้ก่อนเมื่อท่านสอนตนเองได้แล้วท่านจึงค่อยไปสอนผู้อื่นต่อไปครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเราศึกษาดูประวัติท่านจะเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กเป็นลูกศิษย์ก่อนเวลาบวชแล้วก็ขนขวายศึกษา อยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ศึกษาฟังคําอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติก็จะทําตนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้ก็อย่างน้อย 10- 20ปีขึ้นไปไม่ใช่บวชเพียงวันสองวันก็มาตั้งตนเองให้เป็นครูเป็นอาจารย์นี่คือลักษณะของบุคคลที่ขาด บุคคลสัปปายะที่จะร่วมอยู่ด้วยเวลาที่ได้เริ่มปฏิบัติหรือได้เริ่มบวชเป็นพระภิกษุอันนี้ผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะสังวรคิดไว้เป็นอุทาหรณ์ตื่นใจว่าอย่าเพิ่งเล่ยพลอนไปเป็นครูเป็นอาจารย์ พยายามทำตนเองให้เป็นนักศึกษาทำให้ตนเองเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปก่อนพยายามพิจารณาปฏิบัติให้อย่างรอบครอบว่ากิเลสตัณหาที่ตนเองคิดว่าตายแล้วมันตายจริงหรือไม่ต้องทดสอบดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วจนกว่าจะมีความมั่นใจแล้วจะสอนใครก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ไม่ใช่อยากจะสอนใครก็ไปหาคนนั้นคนนี้ไปเรียกเขามาสั่งมาสอนแต่สอนก็เพราะว่ามีผู้เขาเข้ามาหาเราเองเขาต้องการจะได้ยินได้ฟังได้รับความรู้จากเราแล้วเราก็ค่อยสอนไปนี่คือเรื่องของบุคคลสรัทธา สถานที่สัปายะสองเรื่องเรื่องที่สามก็เรื่องของอาหารอาหารสัปายะอาหารที่เรารับประทานก็มีผลต่อการบำเพ็ญถ้าอาหารที่เรารับประทานแล้วทำให้ร่างกายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยท้องร่วงหรือว่าท้องผูก ร, รับประทานอาหารบางชนิดแล้วทำให้เกิด เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคกระเพาะหรือเป็นอะไรต่างๆอาหารเหล่านั้นก็ต้องเป็นอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงควรจะหาอาหารที่กินแล้วทําให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขถึงแม้ว่าจะไม่ถูกปากถูกคอก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้กินแล้วยังชีพได้ทําให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขไม่เดือดร้อนได้อย่าไปอยู่ หรือไปหารับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคออาจจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สงบสงัดวิเวกเช่นเราเคยอยู่ในบ้านในเมืองถูกปากกับอาหารในบ้านในเมืองแต่พอเราบำเพ็ญเราต้องไปอยู่ตามปา่าตามเขาเราก็จะไม่ได้รับประทานอาหารแบบตามบ้านตามเมือ ง, องเราก็อยากจะรับประทานอาหารแบบที่เราเคยรับประทาน เราก็อาจจะไม่อยากจะไปอยู่ตามป่าตามเขาเราก็จะอยู่ตามบ้านตามเมืองเพื่อจะได้รับประทานอาหารแบบถูกปากถูกใจอันนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถไปปีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดบาเพ็ญได้เราต้องยอมสละความสุขเรื่องปากเรื่องท้องแล้วไปอยู่ตามสถานที่ที่สงบสงัดวิเวก ถึงแม้ว่าอาหารจะไม่ถูกปากถูกคอถูกใจแต่ก็พออยู่ได้กินแล้วร่างกายไม่หิวร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าเป็นอาหารสับอาหารสัพายะได้แต่ถ้าไปเจออาหารที่กินแล้วท้องร่วงทุกวันอย่างนี้อันนี้ก็ต้องหาหาเหตุแล้วหาวิธีแก้ไปท้องร่วงหรือท้องผูก ก็จะเป็นอุปสรรคได้หรือปวดท้องเป็นโรคกระเพาะอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นเรื่องของอาหารก็ต้องศึกษาหาวิธีแก้ไขไปนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารส ป, ปายะคาว่าส ป, ปายะไม่หน่อยแม้คมว่าอาหารที่ถูกปากถูกคอถูกใจแต่เป็นอาหารที่จะยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุข ถ้าเราชอบอาหารที่ถูกปากถูกคอเราอาจจะไม่สามารถไปอยู่ตามสถานที่วิเวกที่สงบได้เพราะเราอยากจะรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกคอที่เราเคยรับประทานก็ต้องอยู่ตามบ้านตามเมืองไปถ้าอยู่ตามบ้านตามเมืองสถานที่ของการปฏิบัติก็จะไม่สงบสงัดวิเวกเหมือนกับการไปอยู่ตามป่าตามเขา เรื่องส ป, ปายะข้อที่สี่ก็เรื่องของอากาศส ป, ปายะอากาศนี้ก็จะมีผลกระทบต่อการบำเพ็ญของเราบางคนชอบอากาศหนาวบางคนชอบอากาศร้อนบางคนชอบอากาศปานกลางอันนี้ก็ต้องเลือกไปตามความชอบเพราะว่าถ้าเราชอบอยู่ตรงไหนแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบาย มันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบาเพ็ญถ้าเราไปอยู่กับอากาศที่ไม่ถูกกับเรามันก็จะทำให้เราไม่สบายใจมีความรู้สึกอึดอัดการบาเพ็ญก็จะไม่สะดวกอันนี้เราก็ต้องใช้พิจารณาญณดูว่าควรจะอยู่ในสถานที่แบบไหนมันก็มีหลายปัจจัยที่เราจะต้อง เอามาคำนวณเช่นสถานที่สัพยะบุคคลสัพยะอาหารสัพยะและอากาศสัพยะเราจะได้ทั้งสี่อย่างพร้อมกันหรือไม่ถ้าเราไม่ได้สอย่างนี้เราอาจจะต้องเลือกว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันสถานที่สำคัญกว่าบุคคลสำคัญกว่าอาหารสำคัญกว่าอากาศหรือเปล่า หรือบคุคคลสำคัญกว่าสถานที่สำคัญกว่าอาหารสำคัญกว่าอากาศอันนี้เราก็ต้องเอามาบวกลบคูณหารดูแล้วดูว่าอะไรจะสำคัญกว่ากันในเบื้องต้นคิดว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือบคุคคลสปายะการมีครูบาจารย์ที่ดีนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบาเพ็ญ ในการเริ่มต้นของการปฏิบัติเมื่อได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาจนรู้อย่างถ่องแท้เรื่องของการปฏิบัติแล้วและไ ด, ได้ได้ผลจากการปฏิบัติในระดับหนึ่งจนถึงที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่สงบวิเวกอยู่ตามลำพังตอนนั้นก็อาจจะขอลาครูบาอาจารย์ไปปีกวิเวกเป็นระยะระยะ เพราะเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มักจะต้องอยู่กับพระเนนและญาติโยมก็จะมีไม่มีความสงบวิเวกเท่ากับการไปอยู่คนเดียวพระที่ได้บวชมีปัญสาแล้วมีฐานของจิตใจแล้วคือสามารถควบคุมทำใจให้สงบได้แล้วแต่ยังไม่มีปัญญาต้องใช้เวลาในการบาเพ็ญปัญญาตามลำพังอยู่ตามลำพังในป่านในเขา ตอนนั้นก็อาจจะต้องขอปีกเว้ยว์ขอลาครูบาอาจารย์ไปหาสถานที่สงบสงัดครูบาอาจารย์ท่านก็จะเข้าใจท่านก็จะปล่อยให้ไปแต่ถ้าบวชใหม่ก็จะมาขอลาไปปีกเว้ยว์ท่านจะไม่ให้ไปเพราะท่านเห็นว่าจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่แก่กล้าพอไม่มีฐานที่จะรักษาตนเอง ให้อยู่ได้อย่างแคล้วคาดปลอดภัยถ้าครูบาอาจารย์ท่านยังไม่มั่นใจในจิตของลูกศิษย์ท่านจะไม่ปล่อยให้ไปไหนไม่ให้ไปปีกวิเวกตามลําพังท่านจะต้องให้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปเรื่อยๆก่อนจนท่านเห็นว่าจิตใจของท่านของผู้ปฏิบัตินั้นมีหลักมีเกณฑ์มีมีฐานแล้วสามารถที่จะ รักษาใจให้อยู่ในความสงบได้อย่างน้อยก็ขั้นสมาธินะท่านก็จะปล่อยให้ไปเพราะท่านก็เห็นใจว่าเวลาอยู่ในวัดก็จะต้องมีภารกิจการงานอย่างอื่นที่จะต้องทำเพราะต้องเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็ต้องมีการช่วยเหลือกันทางานทาการหลายต่างๆก็จะไม่ได้มีเวลาบาเพ็ญอย่างเต็มที่ ถ้ามาถึงขั้นนั้นแล้วสถานที่ส ป, ปายะก็อาจจะมีความสําคัญกว่าบุคคลส ป, ปายะเพราะว่าบุคคล น, นั้นก็ได้รับความรู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้แทบหมดหมดไส้หมดพุงจากท่านแล้วแปงแต่ว่าอยู่การที่จะนําเอาไปบําเพ็ญเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไปแล้วแบบไม่กลับเลยส่วนใหญ่ท่านก็ไปเป็นพั ก, พก แล้วก็จะกลับมามาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาต่อเพื่อเสริมปัญญาต่อไปยังมีก็เป็นการเข้าการออกไปเป็นระยะระยะไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะสามารถเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนเองได้แล้วท่านก็จะไปตั้งสำนักของท่านเองต่อไปนี่คือธรรมเนียมของพระปฏิบัติเป็นอย่างนี้ ท่านจะแสวงหาครูบาอาจารย์ก่อนเมื่อได้ครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาจนมีความรู้ความสามารถที่จะออกไปปฏิบัติตามลําพังได้ก็ออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจนบรรลุแล้วก็จะเป็นครูบาอาจารย์ต่อไปไปมีสํานักของตนเองต่อไปนี่คือธรรมเนียมของของพระป่าเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่เรากราบไหว้บูชาในเบื้องต้นท่านก็ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นพอท่านได้ศึกษาแล้วท่านก็ไปปีกวิเว ก, กันไปบำเพ็ญถ้ามีปัญหาหรืออยากจะฟังเทศฟังธรรมจากภรูบาอาจารย์จากหลวงปู่มัน่นก็กลับเข้าไปเป็นระยะระยะเข้าๆออกๆออจนในที่สุดก็สามารถบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้พอได้แล้วท่านก็ไปอยู่ ตามน้ำพังไปตั้งสำนักของท่านแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะให้แก่ศรัทธาญาติโยมและพระเนรที่จะมาศึกษากับท่านต่อไปนี่คือเรื่องของบุคคลสปายะสถานที่สปายะอาหารสปายะและอากาศสปายะที่ผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญต้องพิจารณาให้รอบคอบเพื่อที่จะได้ ากาจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นในการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของอุปสรรคภายนอกส่วน อ, อุปสรรคภายในใจก็คือนิวรนหนี้เองนิวรนก็คืออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆภายนอกใจข้อที่หนึ่งก็คือความลังเลสงสัย อาจจะไม่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอริยสงฆ์สาวกมีจริงหรือไม่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัตินี้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้หรือไม่ ถ้ามีความสงสัยก็ต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลุดพ้นแล้วไปศึกษาไปอยู่กับท่านไปฟังเทศทางธรรมไปฟังคำสอนต่างๆของท่านแล้วความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหมดไปได้อันนี้ก็เรื่องของนิวรข้อที่หนึ่งเรื่องของความ หนังเลสงสใยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องที่สองก็คือเรื่องของกามฉันทะความยินดีในการเสกรูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ก็ต้องถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องมีศีลแปดขึ้นมาเป็นอย่างน้อยเพราะศีลแปดนี้ก็จะช่วย การเรื่องของการมารมต่างๆได้ไม่เสกการมไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะคือไม่หาความสุขจากเรื่องมหโหลศบบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าผอรที่สวยงามแต่หน้าทาปากทาําเผาทาผมอะไรต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอน มากจนเกินไปไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารอันนี้เป็นเครื่องช่วยกาจัดกามฉันทะความอยากเสพกามผู้บาเพ็ญ น, นี้จำเป็นที่จะต้องถือศีลอย่างน้อยก็ศีลแปดขึ้นไปถ้าเป็นนั ก, นกบวชก็ศีลสองรยบหรือศีลสามร้อกว่าข้อที่เป็นของภิกษุณีอันนี้เป็นศีลที่จะช่วยกาจัด นิวรภายในใจคือการมัชนทะาให้หมดไปได้อันนี้ก็เป็นการแก้นิวรณ์ข้อที่สองนิวรณข้อที่สามก็คือความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเป็นปกติของใจเวลาอยู่กับใครแล้วไม่ได้อะไรดังใจอยากก็จะเกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาได้ หรืบางทีไม่ได้อยู่กับใข่แต่อยู่กับสิ่งเหตุการณ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆถ้ามาขัดใจขึ้นเมื่าหล่ก็จะเกิดความโกรธได้ความโกรธนี้ก็จะทําให้การทําใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากผู้ที่จะคอยกําจัดความโกรธนี้จะต้องหมั่นเจริญเมตตาพอหนะมั่นพะมันเจริญอ ความเมตตาที่จะเป็นเหมือนน้ำมาดับไฟของความโกรธได้เช่นให้รู้จักคำว่าให้อภัยไม่จองเวนสัเพสัตาอเวราหนตุไม่ไม่มีการจองเวนกับผู้ใดไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเรามากน้อยเพียงไรเราต้องให้อภัยเขาได้เสมอเพราะถ้าเราให้อภัยเขาไม่ได้ใจของเราจะร้อนจะ อ, อยู่กับการคิดล้างแค้นอาคาตพยาบาทไฟจะร้อนเป็นเหมือนไฟนรกแต่ถ้ามีความเมตตามาดับไฟใจก็จะเย็นความเมตตานี้เป็นเหมือนไฟดับความโกรธเกลียดต่างๆได้ด้วยการให้อาภัยไม่จองเวรคิดเสียว่าเป็นเรื่องปกติของการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับเล่นกับฟัน ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาและคนเราก็มีอะไรไม่เหมือนกันมีนิสัยไม่เหมือนกันมีคุณธรรมไม่เท่ากันบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีไปเจอคนไม่ดีกระทำสิ่งที่ไม่ดีถ้าไปโกรธไปเกลียดเขามันก็จะทำให้ใจเราร้อนไปเปล่าๆจะทำให้เราไม่สามารถทำใจให้สงบเข้าสู่สมาธิได้ การบําเพ็ญของพวเราหล่านี้เป้าหมายอยู่ที่การทําใจให้สงบดังนั้นไม่ว่าอะไรจะมาทําให้ใจเราไม่สงบเราต้องกําจัดมันให้ได้ถ้ากามัฉันทะก็ใช้ศีลแปดกำจัดมันถ้ามันมีความลังเลยสงสัยก็ไปศึกษาไปอยู่ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมจากท่านถ้ามีความโกรธก็ต้องใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้อภัยผู้ที่กระทำ สิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายหกับเราไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางทรัพย์สินหรือทางจิตใจก็ตามอย่าปล่อยให้มันค้างๆ้างอยู่ภายในใจเพราะมันจะเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการบาเพ็ญทําใจของเราให้สงบอันนี้ก็คือเรื่องนิวรของความโกรธนิวรณข้อต่อมาก็คือความง่วงเหงาเหานอน การง่วงเหงาวลนอนก็ต้องแก้ด้วยวิธีรับประทานอาหารให้น้อยลงไปผ่อนอาหารเพราะเวลาร่างกายขาดอาหารนี้จะไม่ค่อยง่วงนอนเท่าไหร่ก็ผ่อนไปเรื่อยๆถ้ายังง่วงก็ต้องลดลงไปถ้ากินวันลามื้อก็อยังง่วงอยู่ก็ต้องอดมื้อกินอดวันกินวันไปเรา สองวันค่อยกินสักครั้งหนึ่งถ้าสองวันกินสักครั้งยังง่วงอยู่ก็อดสักสามวันไปเดี๋ยวมันก็หายง่วงเองผู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องยอมทุกทรมานทางร่างกายถ้าอยากจะได้ทำอยากจะได้ความสงบทางใจอันนี้เป็นเหมือนตั๋วที่เราจะต้องตีเหมือนขึ้นเครื่องบินนี่เราจะต้องตีตัวถึงจะขึ้นเครื่องบินได้ถ้าอยากจะทาใจให้สงบก็ต้องยอมอดข้าวอดปลา ยอมอยู่คนเดียวไปปีกวิเวก ย, ยอมยอมเสียสละความสุขทางร่างกายไม่รับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานเพียงพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอถ้าร่างกายมีอาหารสำรองอยู่มากแล้วเช่นมีน้ำหนักเกินอันนี้ก็จะไม่มีผลเสียหายอะไรกับร่างกายอดไปที่สามวันห้าวันนี้ไม่มีผลเสียหายพระพุทธเจ้านี้อดได้ถึง4ี่้าวัน เวลาเราอดแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรก็ร่างกายจะเป็นอะไรขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอดถึง4ี่สิบเก้าวันก็ยังมาเป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นศาสดามาเป็นที่พึ่งของพวกเราได้พวกเราอดเพียงมื้อเดียวอดเพียงวันเดียวก็จะตายให้ได้อันนี้ถ้าเราไม่รีบแก้มันก็จะทาให้เราอดไม่ได้เพราะความกลัวตายกลัวเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาทันทีพอจะอดข้าวสักหน่อยนี้ ความกลัวอะไรต่างๆนี้มันจะโผล่ขึ้นมาหมดมันจะทําให้เรานี่ไม่สามารถที่จะแก้นิวรณคือความง่วงเหงาเหงานอนได้ถ้าเราอดไม่ได้อดหายไม่ได้จริงๆแล้วอาจจะต้องหาวิธีอื่น <c oughs> เช่นไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวไปอยู่ในป่าชา้าไปนั่งสมาธิในป่าช้าดูดูว่ามันยังจะง่วงนอนหรือเปล่ารับรองได้ว่าถ้ากลัวผีแล้วนี้ไปอยู่ในป่าช้านี้มันจะไม่ง่วงนอน มันจะตื่นตลอดเวลาแต่ ก, ก็ต้องมีความสามารถที่จะควบคุมใจไม่ให้มันตื่นเต้นจนเกินไปตื่นเต้นจนฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะไม่สามารถบําเพ็ญได้ผู้ที่จะไปอยู่ในสถานที่น่ากลัวนี้จะต้องมีสติในระดับหนึ่งพอที่พอที่จะควบคุมใจไม่ให้ตื่นเต้นจนเสียสติได้เช่นบางบางบางคนบางท่านในการปฏิบัติ อยากจะไปลองอยู่ในที่ที่น่ากลัวเช่นในที่ที่มีเสือมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็อยากจะลองดูว่าไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วจะเป็นอย่างไรชาวบ้านก็บอกว่าอย่าไปนะเสือนี่ดุจริงๆเอแต่พระท่านก็ยืนยันว่าจะไปพระชาวบ้านก็เลยพาไปทําที่พักชั่วคราวให้อยู่พอตอนคืนพอได้ยินเสียงเสือท่านนั้นใจก็เริ่มสั่นเลย ก็เสือคำรามสักสองสามครั้งนี้สติสตังหายไปหมดวิ่งแจ้นเข้าไปในหมู่บ้านขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านว่าเสือเสือเสือเสือเสือเสือจะมาแล้วพูดแบบฟังไม่รู้เรื่องกว่าจะตั้งสติพูดให้ฟังรู้เรื่องได้ก็ต้องใช้เวลาถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าพึ่งไปถ้ายัางไม่สามารถควบคุมสติควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้เวลา ไปเจอความกลัวมันก็จะทำให้สติแตกได้หรือเสียสติได้นี่คือการแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงเหงาหานอนและข้อสุดท้ายนิวรณที่เกิดจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆอันนี้ก็จะใช้สติระงับก็ได้ฝึกจเจริญพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้ามีการจเจริญพุโทโธอยู่เรื่อยๆก็ใจก็จะไม่สามารถไปคิด พุ่งสร้างถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้าใช้สติระงับไม่ได้ก็ให้ใช้โมนาโนสติดูก็ได้ให้ระลึกถึงความตายดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวที่เราไปสนใจไปกังวลไปพุ่งด้วยนี้มันในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยความตายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบุคคลต่างๆหรือเหตุการณ์ต่างๆ หรอสิ่งของต่างๆมันมีที่จบของมันทั้งนั้นคือความตายเราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงใหญ่ไม่ต้องไปวิตกมากจนเกินไปถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าสัพเพธรรมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไป กวบคุมบังครับให้มันเป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะระงับความพุ่งสร้างต่างๆได้งั้นเราต้องหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆในเบื้องตน้นเพราะการเจริญสตินี้จะป้องกันไม่ให้เกิดการพุ่งสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเผลอไปพุ่งขึ้นมาก็ให้ลองใช้ปัญญาดู ให้ใช่มอนานุสติรา ล, ลึกถึงความตายเราเลิกถึงการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เราไปกังวลไปวุ่นวายด้วยว่าในที่สุดมันก็จบลงไปหมดดูกรุงศรีอยุธยาดูกรุงสุขโขทยัยคนที่อยู่ในยุคนั้นเขาก็วุ่นวายดูแลรักษาป้องกันมันสร้างมันขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็กลายเป็นอะไรไปวันนี้มันก็กลายเป็นซากปรักหักพังไป สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่บุคคลต่างๆที่เรากำลังพุ่งกันอยู่นี่ในที่สุดก็จะหายไปหมดรอบทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเป็นซากประหลักักพังเป็นซากศกไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วความพุ่งสร้างเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ, ๆก็จะ ง, งับลงไปได้ แล้วก็จะทำให้เรากลับมาบาเพ็ญทำใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องเจอในการบาเพ็ญในการปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบมีทั้งอุปสรรคภายนอกคือสถานที่บุคคลอากาศและอาหารและมีทั้งภายในใจก็คือนิมมร5ความสงสัย หลังในสงสัยในพระพุทธเจ้าความยินดีความชอบความอยากเสพกามความโกรธความง่วงเหงาหงนอนและความฟุ้งซ่านที่เราจะต้องหาวิธีกำจัดให้ดับไปให้ได้เวลาที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบและทำใจให้เกิดปัญญาตามลำดับ เพื่อการหลุดพ้นต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรที่จะศึกษาและหาวิธีกำจัดเวลาที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนสีลิสะนิจังวุธาปจายโน ยะตารุธามวัฏานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามคำถา ม, มก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลย เดี๋จะทราบว่าอัตตนี่แปลว่าอะไรคะอัตตาอัตตาก็แปลว่าตัวตนงไงตัวตนอีกโกภาษาอังกฤษนะคือคื อ, อเรา mix u ์กับอนัตตาอนัตตามี no control ไม่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนและไม่ใช่ของเราไม่สามารถที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ถ้ามีตัวตนเราก็บังคับตัวตนได้ เป่นบังคับร่างกายที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราคิดว่าเราบังคับได้แต่เราบังคับได้เป็นบางส่วนบางเวลาบางส่วนบางเวลาเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ตอนนั้นมันก็จะกลายเป็นอนัตตาไปเช่นเวลามันเจ็บนี่มันแก่มันตายนี่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาไปแต่ตอนนี้เรายังควบคุมมันได้มันก็ยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นตัวเราของเราอยู่ เราต้องรู้ความจริงว่าในที่สุดมันจะต้องกลายเป็นอนัตตาไปาตัวอัตตานี่มเป็นตัวหลอกเราให้เราเห็นว่ามันเป็นอัตตาในในสิ่งที่เป็นอนัตตาเพราะว่าเราคิดว่าเราควบคุมบังคับมันได้สางมันได้ hmm. นี่เราต้องพยายามมองในส่วนที่เราบังคับมันไม่ได้เหมือนกับดินฟ้าอากาศนี่เราบังคับมันไม่ได้และมันไม่มีตัวตนที่จะไปบังคับดินฟ้าอากาศ แต่ร่างกายนี้เราคิดว่ามันเป็นตัวตนเพราะเราคิดว่าเราควบลุมบังคับมันได้ถ้าเรามองจริงๆแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเราก็บังคับมันไม่ได้อยู่ดีถ้าเราอยากจะให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราบังคับมันไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน การปฏิบัตินี้ก็เพื่อหยุดความอยากที่จะไปควบคุม บ, คบังคับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราให้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้ว่าไปบังคับเขาไม่ได้ยอมรับให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา mm. เช่นแม่เรานี่เราไปบังคับให้เขาเป็นตามความต้องการของเราไม่ได้ mm. อปล่อยให้เขาเป็นไปเราก็จะสบายใจที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอยากเป็น บังคับไปทำให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเพราะคิดว่าทำได้เพราะคิดว่ามีตัวตนขอบคุณมากค่ะคำถามจาก Facebook คำถามแรกจากคุณอนันต์ฟางค่ะเคยนั่งรถแล้วดูข้างทางเพลินๆจิตเกิดความสงบเย็นเกิดสุขมีปิติเหมือนว่าเราจะไม่โกรธใครอีกแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ภาวนาเป็นอย่างนี้ประมาณระยะหนึ่งก็กลับเข้าสู่สภาวะเดิมจิตลักษณะนั้นหายไปไหนครับจิตลักษณะนั้นเรียกว่าอะไรครับเกิดจากอะไรครับตอนตอนนั้นจิตหยุดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆจิตก็เลยสงบเลยว่างเลยเย็นเลยมีความสุขอันนี้คือเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อให้จิตว่างให้จิตเย็นให้จิตสบาย ที่มันไม่ว่างไม่เย็นก็เพราะมันมัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็วุ่นไปกับเรื่องที่คิดแล้วมันก็ต่อกันเป็นเหมือนลูกโซ่คิดเรื่องนี้แล้วก็ไปถึงเรื่องนั้นแล้วก็ต่อเรื่องนั้นแล้วก็ไปเรื่อยๆมันไม่มีวันที่จะหยุดได้นอกจากมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นนั่งรถไปคนเดียวแล้วไปมองนู่นมองนี่แล้วก็ลืมเรื่องที่คิดไปจิตก็ว่างขึ้นมาได้แต่มันเป็นเพียงแต่ว่างชั่วระยะ สั้นๆแล้วก็วางเพราะว่ามีเหตุปัจจัยอะไรที่มันเอื้อต่อการให้ใจมันไม่คิดนะอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงพระวัยยังยาวอยู่ส่วนใหญ่ก็จะถูกห้อมล้อมด้วยบริษัทบริวารคอยดูแลคอยป้อนคอยรับใช้แต่พอมาวันหนึ่งพวกบริษัทบริวารเขาต้องไปทำธุรกิจอย่างอื่นปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ภายใต้โคนไม้เปี่ยวเพียงคนเดียว พอไม่มีอะไรมาชวนให้ท่านคิดให้ท่านคุยจิตก็สงบว่างไปเฉยๆไม่ได้คิดอะไรอันนี้ก็คือลักษณะของความสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถือว่าเป็นระดับอัปปนาสมาธิระดับอัปปนาสมาธิมันจะลงลึกกว่านั้นมันจะเข้าไปลึกจกนกระทั่งมันไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเลยอันนี้แต่อันนี้ก็เป็นความสงบในระดับเบื้องต้น ที่เกิดขึ้นได้กับคนหลายคนเคยมีคนมาเล่าให้ฟังมีชายคนหนึ่งเขาบอกเขาตอนนั้นเขาลูกชายกําลังจะบวชเขาก็เลยต้องวุ่นไปกับการหาจัดการของบวชต่างๆพิธีกรรมพิธีงานอะไรต่างๆที่จะต้งองทําวุ่นไปบวดแกบอกพอถึงวันที่เข้าไปในโบสพอไปนั่งในโบสไม่ได้ต้องทําอะไรจิตมันก็เลยว่างมันก็สงบขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมานี่คือการหยุดคิด ของจิตชั่วขณะหนึ่งพอมีเหตุมีปัจจัยทำให้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วตอนนั้นมันก็เลยสงบได้แต่มันเป็นเรื่องของความพลุกหรือเรื่องของว่านานๆมันจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งถ้าจะให้มันเกิดอย่างนี้ได้ตลอดนี่นทาไม่ได้แต่ถ้าเราบำเพ็ญภาวนาเจริญสติต่อไปเราจะทําให้มันเป็นอย่างนี้ได้ตลอดเวลานั่นคือเป้าหมายของการปฏิบัติ ให้ใจของเราว่างเย็นสบายตลอดเวลาไม่ว่าถ้ามีความคิดก็ไม่ได้คิดไปในทางที่ทําให้เกิดความวุ่นขึ้นมาความคิดของพวเรานี้คิดไปได้สองทางคิดแล้วทําให้เกิดความว่างความสงบขึ้นมาหรือคิดไปแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้ถ้าคิดไปในทางอัตตาตัวตนนิจจังสุขขังอัตตานี้มันจะวุ่นขึ้นมาทันทีถ้าคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนิตจานี้มันจะสงบมันจะสบายมันจะเย็นขึ้นมาทันที ถึงสอนให้หัดคิดในทางนี้แต่ในเบื้องต้นเรายังคิดในทางนี้ไม่เป็นเพราะเรายังหยุดคิดในทางนู้นไม่ได้เราต้องหยุดคิดในทางนู้นให้ได้ก่อนทําใจให้สงบก่อนใจของเรา 99.9% าิดปร์เคิดไปในทางนิ จ, จังสุขขังอนาตาแล้วก็สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเราต้องหยุดความคิดอันนี้ให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดมันได้แล้วเราก็จะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางอ น, นิจังทุกขังอนาตาได้ เราถ้าคิดไปในทางนิจังคุกถานาตายมันก็เย็ยนจะสบายไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆเหมือนกับขับรถนี่เวลาที่เราจะอยู่เทินนี่เราจะทำยังไงเรารู้ว่าเราขับไปผิดทางมันต้องไปอีกทางอันแรกเราก็ต้องหยุดรถก่อนหยุดแล้วแล้วค่อยเลี้ยวเลี้ยวกับมาไปทางที่เราต้องการใจเราก็ต้อง U อยู่เทินกันตอนนี้ใจเราไปทางนรกกันไปทางเวียนว่ายตายเกิดกันไปทางความทุกข์กัน ตอนนี้เราต้องหยุดมันไม่ให้ไปทางนั้นพอหยุดแล้วก็ต้องอยู่เทินให้มันกลับไปทางมรรคผลนิพานต่อไปคำถามจากคุณภาคกรค่ะแม้ว่าในบางครั้งพังขณะผมไม่สามารถตั้งสมาธิอย่างต่อเนื่องได้แต่ก็พยายามระลึกรู้ ด้วยการสร้างสติให้อยู่กับปัจจุบันพร้อมๆกับการใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเช่นกายคตาสติบ้างอาหารเรปฏิกูลสัญญาบ้างจนในบางครั้งในขณะที่ว่างจากการทำงานทั่วไปพอยามที่พากหลับตาอึดใจเดียวก็มักมีภาพนิมิตของอวัยวะต่างๆผุดมาให้เห็นเป็น ผมขนผิวหนังเป็นต้นจากแนวทางที่ผมได้ปฏิบัติต่างกล่าวขอถามข้อแรกแนวทางที่ผมปฏิบัติอยู่นี้เป็นการปฏิบัติในแบบที่เรียกกันว่าสติปฐานสีใช่หรือเปล่าครับเป็นแนวทางของจับไฉ่คือจับไอ้นู่นมันชนนี่อยากจะทําอะไรก็ทําไปอยากจะพิจารณาก็พิจารณาอยากจะกําหนด ก็กำหนดไปมันก็เลยแบบผสมกันไปผสมกันมามันก็เลยไม่ได้อะไรสักเรื่องปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้เพราะมันทําแบบจับใจต้องทําแบบเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนสมาธิก็ให้มันกําหนดดูอยู่กับเรื่องเดียวพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวรู้เฝ้าดูล่างกายการกระทําของร่างกายเพื่อให้มีสติดึงใจให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน แล้วพอไม่ต้องทําอะไรก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธให้จิตมันรวมเข้าไปเป็นอัปนาอัปปนาสมาธิพอเป็นอัปปนาแล้วทีนี้ก็ออกมาพิจารณาทางปัญญาอาหารเลปฏิกูลสัญญาก็พิจารณาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจนกระทั่งมันเห็นเบื่ออาหารไปเลยเห็นแล้วกลายเป็นขี้ไปหมดเนี่ยอาหารในที่สุดมันจะกลายเป็นอะไรมันก็กลายเป็นขี้ ทุกครั้งเวลาอยากก็เข้ยวกาลังกินขี้มันก็หายอยากแล้แต่มไม่คิดอย่างนั้นกันมันก็เลยหิวอยู่เรื่อยอยากกินอยู่เรื่อยมันก็มันมันต้องทําให้เป็ น, เ ป, นเป็นกิจจลักษณะเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้มันทําแบบปนกันไปปนกันมานึกอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็ลืมไปพิจารณาเรื่องอื่นต่อแล้วแต่อะไรจะมาก็ว่ากันไปคว้าไปคว้ามาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรสักอย่างหนึ่ง เพราะการพิจารณาแต่อย่างมันมีเป้าหมายของมันอาหารเลยปฏิกูลณสัญญาเพื่อตัดความอยากในอาหารอสุภะเพื่อตัดการอารมณ์มันต้องพิจารณาให้มันเป็นเหตุเป็นผลไปถ้าพิจารณาแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างมันก็เหมือนจับปลาสองมือไม่ได้อะไรสักอย่างเลยทำลไรต้องทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องเป็นราวไปขั้นสมาธิก็ต้องไม่คิดอะไรเลยให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้ได้ให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาให้ได้ มันรวมนะทนี้ก็ออกมาเลยจะพิจารณาเรื่องไหนก็ออกเป็นเรื่องๆไปเรื่องร่างกายเกิดแก่เจ็บตายก็เอาเป็นเรื่องๆไปมีปัญหากับเรื่องไหนก็พิจารณาเรื่องนั้นไปแล้วมันจะได้แก้เป็นเรื่องๆไปอันนี้จับแพะชนแกะจับเรื่องนั้นมาถือได้สองสามทีก็ปล่อยไปเอาเรื่องนั้นขึ้นมาต่อมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรสักอย่างหนึ่งคำถามข้อสองค่ะการมีนิมิต ผุดขึ้นให้เห็นเป็นผมขนและผิวหนังเรียกว่าเป็นปัญญาใช่ไหมครับและปัญญาที่ว่านี้จําเป็นต้องแสดงให้เห็นเฉพาะตอนที่นั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวใช่ไหมครับหรือว่าสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องได้ตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติแม้ว่าจะไม่ได้นั่งภาวนาอย่างเป็นทางการก็ตามเท่านี้ไม่ต่างๆนี้มันเป็นเครื่องมือของของนิจกิเลส ก, ก็ได้เครื่องมือของปัญญาก็ได้ ถ้าไปเห็นนิเป็นสวยๆงามๆ ม, มันก็จะเป็นเครื่องมือของกิเลสทำให้เกิดกามารมณ์ขึ้นมาถ้าเป็นนิมิต ท, ทางอสุภะมันก็จะเป็นเครื่องมือของปัญญาจะทำให้มันดับกามารมณ์ได้แต่ตอนที่มันเกิดตอนที่เราไม่มีกามารมณ์มันเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเครื่องเตือนใจเราให้พยายามคิดอยู่เรื่อยๆเราเลิกถึงมันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนยายานี้จะมมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกินยาเข้าไปมันก็ไม่มีผลต่างกันอาสุภะก็ดีอาหารเลยปฏิกูลและสัญญาก็ดีมันเป็นยาที่จะมารักษาตัหาความอยากของเราแต่ถ้ามันยังไม่เกิดเราเอามาใช้มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาแล้วเห็นกระดูกเห็นลำไส้ของคนที่เราไปหลงไหลคลั่งคข้ขด้วยแล้วมันก็หยุดความอารมณ์ได้มันก็ถึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมา แต่การโผล่ขึ้นมาก็ดีแสดงว่าเราเคยได้สะสมมันไว้ในใจเราสิ่งต่างๆที่เราเคยพิจารณานี้เวลาจิตสงบมันก็มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่โผขึ้นมาในตอนที่นั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการให้เราเรนึกถึงมันแล้ว เ, เอามาเจริญต่อมาพิจารณาต่อเราต้องการให้ยานี้อยู่ใกล้มือเรา เวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ดับมันได้ทันทีไม่ใช่มันเกิดในขณะที่นั่งสมาธิพออ อ, าพอออกมาจากสมาธิเห็นคนนั่นคนนี้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็หามันไม่เจอแล้วอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามปาคุณภาวนาอนัตตาการผิดศีลห้ากับบุคคลธรรมดาเทียบกับพระอรหันต์นั้นมีน้าหนักเท่ากันหรือไม่ เช่นขโมยของสงกับขโมยของชาวบ้านหรือโกหกพระสงฆ์กับโกหกคนธรรมดาหรือโกหกพระ อ, อรหันต์กับโกหกพระโสดาบันหรือปุถุชนมีโทษแตกต่างกันหรือไม่ตามหลักธรรมะอย่างไรคะถ้าเป็นเรื่องค่าค่าคนนี้ก็มีแตกต่างกันแต่เรื่องอื่นนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีการแตกต่างกันหรือไม่ ถ้ามีก็คงจะไม่มีความสำคัญเท่าไรแต่เรื่องที่สำคัญก็คือการฆ่าพระอาหารหันต์ฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบาปกรรมที่หนักกว่าฆ่าคนธรรมดาฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็หนักกว่าฆ่าคนอื่นเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาเป็นบุคคลที่มีบุญมีคุณมีประโยชน์ต่อพวกเรามากการที่ไปฆ่าคนที่มีบุญมีคุณนี้มันก็ทำให้เกิดความเสียหายมากต่อผู้อื่น เช่นถ้าฆ่าผ้าหลานองค์หนึ่งคนที่จะสายผ้หาหลันเป็นครูอาจารย์คอยสั่งคอยสอนก็จะเสียครูอาจารย์ไปคนหนึ่งทําให้เขาไม่สามารถที่จะมีครูบาอาจารย์สอนให้เขาไปถึงพระนิพพานได้โทษมันมันหนักกว่ากันเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะเคือได้ยินแต่เรื่องอนันตรกยกรรมคือบาปกรรมที่หนักที่สุดเกิดมีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งฆ่าพ่อข้อที่สองฆ่าแม่ ข้อที่สามฆ่าพระอาหารหันต์ข้อที่สี่ทำให้พระพุทธเจ้าหอเลือดและข้อที่ห้าทำให้สงแตกแยกสองข้อหลังนี้เทวทัตเป็นผู้กระทาเทวทัตนี้พยายามฆ่าพระพุทธเจ้าสามครั้งครั้งแรกส่งคนไปฆ่าก็ไม่สําเร็จครั้งที่สองปล่อยช้างมาให้เหยียบก็ไม่สําเร็จครั้งที่สามขึ้นไปบนเขารอให้พระพุทธเจ้าเดินผ่านมาแล้วก็เก่งเห็นลงมาเพื่อให้ทัพพระพุทธเจ้า แต่ก็มีแต่สเก็ดหินที่ไปทําให้พระพระบาทของท่านหอเลือดท่านั้นเองแต่ไม่ถึงกับค่าเพียงแค่นี้ก็ถือว่าบาปหนักแล้วแล้วยังไปยุยงให้สงแตกแยกกันไม่ให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้มาเชื่อตอนเองให้ตว่าตนเองนี้แหละแข่งกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าทําให้สงแตกแยกเป็นสองฝ่ายไปผลก็คือเนี่ยต้องไปตกนรกที่นรกขุมที่ลึกที่สุด นา น, นานที่สุดท่านเรียกว่าอนันตฤยกรรมห้าประการด้วยกันอันนี้เลอกเรื่องเกี่ยวกับการผิดศีลข้อปาณาติบาตแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องขโมยของพระกับขโมยของโยมว่ามีความแตกต่างกันอาจจะมีมั้งไม่รู้นะแต่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดเพราะเห็นว่ามันไม่สําคัญมากข้อสําคัญอย่าไปทํามันก็แล้วกันศีลทั้งห้าข้อไม่ว่าจะกับใครก็ตาม แม้แต่มดกับยุงก็อยากไปทำมันแต่เราก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ต้องกลับไปเกิดให้เขามาฆ่าเราฆ่ายุงก็ต้องไปเป็นยุงให้เขาฆ่าเราก็แล้วกันให้คิดอย่างนี้ไปแนละ้วมันเราจะได้ไม่อยากจะทำบาป ก, กันคำถามจากผู้ฝากถามค่ะขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายกระบวนการข้ามอุปสรรคขวางความสงบค่ะ อย่างความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้พอเข้าใจเพราะว่ามันเป็นความสุขเฉพาะหน้าใจถึงไปคว้ามันอารมณ์โกรธเกลียดโมโหนี่แ่ละคะมันเป็นทุกข์มันร้อนแต่ทําไมใจถึงไปคว้ามันไว้ในใจคะนี่ก็ตอบหมดแล้วเนี่ยวันนี้แสดงในธรรมที่โกรธเกลียดมันไม่รู้ว่ามันกนําลัง ทุกด้วยไฟที่เกิดจากความโกรธความเกลียดเพราะไม่มีสติถึงต้องใช้น้ำของเมตตามาดับมันต้องให้อภัยให้ได้ข้อสองถ้าปัญหาอารมณ์โกรธเกลียดโมโหยังไม่ถูกแก้ด้วยปัญญาแล้วเราจะใช้วิธีไหนบ้างที่จะฆ่ามันไปจนถึงความสงบเพื่อเอากำลังจากความสงบมาใช้ปัญญาฆ่ามันคะ ก็ต้องใช้สตินี่แหล ะ, ะเจริญสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธพุโทโธไปยเรื่อยๆมันก็จะไม่สามารถไปคิดในทางที่ทําให้โกรธเกิดขึ้นมาได้ก็จะทําให้ใจเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้าพอเกิดความโกรธขึ้นมาปั๊บมีสติหยุดหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธถอยออกมาถ้าเราต้องอยู่ในเหตุการณ์แล้วทําให้เราหยุดความโกรธไม่ได้ก็หลบไปเข้าห้องน้าเสีย แล้วไปนั่งพุโทโธพุธโทโธในห้องน้ำจนกว่าความโกรธมันจะหายไปแล้วค่อยออกมาอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นเป็นชับ ป, ปัญหาเป็นการแก้แบบชั่วคราวแต่ถ้าเรากลับไปเจอเหตุการณ์เมื่อคนที่ทําให้เราโกรธก็อาจจะโกรธขึ้นมาได้ถ้าเจอก็ต้องรีพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาแล้วถ้าเรามีสติพอที่จะมาเจริญปัญญาได้ก็วิเคราะห์ความโกรธว่ามันเป็น มันหอกทิ่มแทงหัวใจเราเหมือนไฟที่เผาเราไม่คนอื่นก็ทําให้เราทุกข์ใจไม่ได้เราต่างหากเป็นคนที่ทําให้เราทุกข์ใจเองด้วยความโกรธความคเกลียดของเราเองถ้าเราอยากจะทําใจให้เราหายทุกข์หายเจ้าเราก็ต้องเลิกโกรธเลิกเกลียดเท่านั้นมันถึงจะหายเพราะความทุกข์ใจขณะนี้มันเกิดจากความโกรธความเกลียดของเราเองถ้ามองไม่เห็นตรงจุดนี้มันก็จะแก้ไม่ได้ ถ้ายัางมองไม่เห็นก็ต้องใช้ความเชื่อพระเจ้าบอกให้อภัยก็ให้อภยัยกัดฟันให้ไภยัยถึงแม้จะไม่ยอมให้อภัยจริงๆก็อย่างน้อยก็เชื่อพระเจ้าเออมันก็ยังทําให้หนักเป็นเบาได้และในที่สุดพอมาเห็นประโยชน์ของการให้อภยัยมันก็จะให้อภัยได้อย่างเต็มที่ต่อไปข้อ 3. ค่ะบางคนที่เขาสามารถรับมือกับอารมณ์โกรธเกลียดโมโหได้ดี โดยไม่แสดงอาการของอารมณ์ไม่ดีนั้นออกมาทางกายได้นี้แสดงว่าเขามีกำลังสติมากพอถึงสามารถทำให้เขาเข้าไปหลบในที่เย็นคือสมาธิได้ใช่ไหมคะคือในใจเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขามีระดับไหนอาจจะระดับสติก็ได้หรือจะระดับปัญญาก็ได้นั้นมันก็ถ้าเขาไม่แสดงออกมาก็แสดงว่าเขามีทมอยู่ในใจระดับหนึ่ง ที่สามารถที่จะระงับการแสดงความโกรธเกยียรต่างๆออกมาภายนอกได้อยากจะมีอยู่ภายในใจอยู่หรือไม่นี่ถ้าเราไม่มียาอย่างทราบเราจะไม่รู้ได้คำถามจากคุณเมย์ค่ะถ้าชาติที่แล้วเราไม่เคยปฏิบัติธรรมให้ได้พระโสดาบันหรือพระสกิทาคารีทุกๆอย่างเราจะเริ่มสร้างบารมีจเจริญศีลสมาธิปัญญา ในชาตินี้จนได้นิพพานจะเป็นไปได้ไหมคะได้ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เก่งเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ทรงแสดงสติปัฏฐานสูตรต่อพระภิกษุพระพุทธเจ้าก็รับรองว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้ก็สามารถบรรลุได้ภายในเจ็วันถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีอันนี้พระพุทธเจ้ารับรองแล้ว เป็นแต่ว่าเราจะมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนแบบพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ท่านั้นเองคำถามจากผู้ฝากถามค่ะเราจะมีวิธีตรวจสอบความเข้าใจความรู้หรือสันติติโกของเราได้อย่างไรว่าเรากําลังได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ในกรณีที่ท่านใช้อวัจนภาษาไม่ได้พูดหรือบอกโดยตรงแล้วจะใช้อะไรเป็นตัววัดคะ ว่าเราเข้าใจถูกเพื่อนําไปแก้ไขกิเลสในใจเราถ้าใจเราสงบก็เป็นการแก้ไขที่ถูกถ้าใจเรายังไม่สงบยังวุ่นอยู่ก็ยังแก้ไขไม่ถูกหมดแล้วเหรอพีอ่กาอยากจะถามอีกไหมมาเชิญกับเรียนพระอาจารย์นะครับผมอยากถามเรื่องของอโลกียะกับโลกุตละครับ ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวธรรมแล้วตรงมันมันจะไปรีเลทกับตัวศีลทานศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าครับหรือมันจะไปอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับปัญญาอย่างเดียวเลยคือคาว่าโลกิยะกับโลกุตระนี่ความหมายก็คือโลกิยะก็ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่โลกุตระก็คือการได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิด ยังทำที่จะทำให้จิตรเรา อ, ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นระดับปรรัญญาถ้าระดับต่ำกว่านั้นนี้ยังไม่สามารถที่จะทาให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นทานศีลสมาธินี้ยังเป็นโลกิยะอยู่ต้องเข้าสู่ขั้นปัญญาเข้าสู่ขั้นอริยสัจสี่อันนี้จังทุกขังอนัตตา นั่นคือขั้นโสาบันขึ้นไปตรงนี้นครับแล้วทีนี้ในส่วนของปัญญาที่พระอาจารย์พูดถึงครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดจากการที่เราต้องมีสติก็คือเจริญสมาธิจนถึงขั้นอ ป, ปนาสมาธิแล้วก็อยู่ในขั้นอุเบกขาได้ถึงจะเจริญปัญญาได้ถูกไหมครับครับต้องออกมาจากสมาธินะไม่ใช่อยู่ในขณนะอยู่ในอ ป, ปนาสมาธิ ขณะอยู่ในอัปนาสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาพเพารณาปัญญาเป็นเวลาชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จอุเบคาครับงั้นเดี๋ยวผมถามที่อาจารย์ตอบเป็นเมื่อกี้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับที่พระอาจารย์บอกว่าอัปนาสมาธิครับแล้วก็ออกมาพิจารณาเป็นเรื่องๆไปคําว่าอัปนาสมาธิตรงนี้เนี่ยมันจะใช้อะไรเป็นตัววัดนะครับว่าเราต้องว่างแล้วก็สงบจนถึงขนาดไหน แล้ว อ, ออกมาครับสนทิติโกปฏิบัติไปแล้วก็จะรู้เองเหมือนกินข้าวกินอิ่มแล้วก็จะรู้ว่าอิอ่มเพงถ้ายังไม่กินไปถามใครว่าอิ่มไม่อิ่มเป็นยังไงก็ไม่มีวันรู้ได้ขอบคุณครับครับผมขอกราบขอขมาผ้าจานก่อนนะครับผมจดดะด่าเราเลยขอขมาก่อนนะ <laughs> ดาลแล้วเราไม่รับนะคือคือกระผมก็ฟังเทศของพระอาจารย์ทาง MP3 ทาง Facebook แล้วก็ในเว็บเพจนะครับและทีเนี้ยครับพอผมก็ตั้งสมาธิไปเรื่อยๆพอจุดหนึ่งครับมันหลุดออกจากสมาธิครับผมมันก็ปรากฏว่ามีตัวตัวกูของกูครับตัวอัตตาครับก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์พูดไม่ถูกนะไม่ใชาใช่อย่างนี้นะคือผมรู้สึกผิดครับที่ผมเคยปามา ท, ทางใจไว้ครับผมผมก็ กลัวเป็นบาปอะครับเลยมาขอเข้ามาพระอาจารย์และทีนี้ก็ผมต้องจเจริญสติให้ถี่ขึ้นแล้วก็จะยับยั้งอารมณ์ตรงนี้ครับผมผมก็ไม่มีคําถามครับอยากจะมาขอเข้ามาพระอาจารย์นะครับพระท่านเจ้าสอนว่าเวลาเราฟังใครพูดอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อแต่เราอย่าไปปฏิเสธพระอาจารย์ไหมอย่าไปต่อต้านถ้าเราไม่เชื่อเราก็อย่าไปต่อต้านอย่าไปปรามาสคนที่เขาพูดเราไม่ต้องเชื่อไม่เสียหายอย่างไรนะ การฟังนี้ฟังได้ฟังแบบใจที่เป็นกลางเราจะเชื่อไม่เชื่อนี่เราอาจจะต้องใช้เวลาไปพิจารณาเดี๋ก่อนหรือไปปฏิบัติก่อนจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกไม่ผิดอย่างไรอย่างนั้นการไม่เชื่อนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ไม่ควรไปปรามารไปดา่าคนที่เขาพูดว่าไร้สาระหรือพูดไม่รู้เรื่องเราอาจจะเป็นคนโง่ฟังไม่รู้เรื่องเองก็ได้แล้วก็ไปโทษคนพูดว่าเขาพูดไม่รู้เรื่อง เราก็ต้องมาขอขมากันในภายหลังในเวลาฟังขอยเราฟังแบบใจเป็นกลางไม่ต้องเชื่อแต่ไม่ต้องปฏิเสธแล้วเอาไปพิสูจน์ดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกหรือผิดอย่างไรพระอาจารย์โอโหสิกรรมให้ผมนะครับ <laughs> เราไม่รู้เรื่องกับกรรมของคุณหรอกคุณทำคุณก็จะโอโหสิกรรมในตัวของคุณเองนะ่ะหยุดทำมันมันก็จบ ดีเหมือนกันวันนี้มีคำถามแปลกๆดีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ